ก็ให้พากันตั้งใจสัมรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละที่เป็นแก่นแห่งคนถ้าใจดวงนี้ดีมันก็มีความสุขเท่านั้นถ้าใจดวงนี้ไม่ดีก็ไม่มีความสุขทุกคนนั้นต้องการความสุข เกิดมาในโลกนี้เนี่ยที่ดิ้นลนขวัขวายหาอะไรต่ออะไรอยู่นี่ก็เพื่อต้องการความสุข น, นั่นแหละทำไมยังต้องการความสุขก็เพราะเหตุว่ามันมีทุกข์เป็นคู่ปลักกับชีวิตนี่อยู่ทุกข์มันมารุกร้ามันมารุกมันมารบกวนนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจ อยู่เสมอเสมอแต่ว่าคนส่วนมากก็ไม่ตื่นตัวกันเนื่องจากว่ามันได้ดื่มรสแห่งตัณหาบางสิ่งบางอย่างแนละ้วมันปิดมันติดรสแห่งตัณหาอันนั้นนะเป็นเครื่องจูงใจให้คนอยากอยู่ในโลก น, นี้ทนะี น, นี้ถ้าใครบรรเทาตัณหาลงได้แล้ว มาพิจารณาดูความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี่แล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายนะนี่มันถึงได้มองเห็นว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์ไม่มีความสุขอันยั่งยืนอะไรอยู่ในกายอยู่ในใจนี้เลยเนี่ยความทุกข์นี่แหละมันมารบเรา้าจิตใจของคนเราให้เสแวงหา ทางออกจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้เหมือนอย่างบุคคลที่ถูกโจรผู้ร้ายมันมจะไปแย่งสิ่งเอาสิ่งของแล้วเขาจะทำลายชีวิตก็จะต้องหนีพ่ายโจรขโมยนั่นไปโดยไม่คิดชีวิตเลยหนีพ่ายโจร พวกกลัวตายหรืออย่างแต่วันนี้พุกคนผู้ที่หนีพ่ายจากโจรขโมยไปมีแต่มือเปล่าอย่างนั้นนะมันก็ไม่พ้นจากเงืม้อมือของโจรขโมยอย่างนั้นแหละถ้าผูใ้ใดเตรียมพร้อมมีอาวุธสำหรับป้องกันตัว อยู่มีสร้างอิทธิพลต่างๆไว้อรอบตัวมีเพื่อนมีสาไอมีผู้จงรักภักดีต่อมากมายเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายอะไรมาคุกคามเพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพล อ, อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ คนเรานี่ถ้าหากว่าเราสร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในจิตใจของตัวเองแล้วแล้วก็สร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญานะว่าเป็นอาวุธอันวิเศษสำหรับป้อ ง, อง ก, กันจิตใจตัวเองไม่ให้กิเลสมันครอบงำได้เหมือนอย่างภายนอกนะั่นแหะ ตำรวจทาหารเขามีอาวุธเตรียมพร้อมไว้ข่าศึกก็มารุกรานอธิธปไตยไม่ได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นถ้าบุคคลใดมาสะสมบุญกุศลความดีไว้ในตนให้มากขึ้นไปแล้วไอ้ความชั่วมันก็ตามไม่ทันเพราะว่าความชั่วทั้งหลายนั่นก็เกิดจากดวงจิตนี่เอง ถ้าหาว่าจิตไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาคุกคามดวงจิตนี้ได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้ทุกคนในชีวิตของแต่ละคนนี่นะมันมีดีกับมีชั่วเป็นคู่แข่งกันมาอยู่อย่างนี้แต่ว่าดีกับชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับใจแบบนี้นะนั่นนะ ใจเรามันชอบทางไหนแบบนี้เพราะว่าดีหรือชั่วบาปหรือบุญมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันใจปรุงแต่งขึ้นต่างหาดังนั้นมันแล้วแต่ใจแบบนี้นะนใจดวงใดถ้าหากว่าได้สดับรอกฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันย่อมเกิดความรู้ความเห็นในทางที่ถูกต้องขึ้นมา เห็นอะไรเหวีหเห็นถูกต้องก็เห็นว่ากิเลสตัณหานี่นะเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์จริงๆนี่แหละเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่สะสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจจนเป็นเหตุให้ไปทำบาปกรมอันชั่ร้ายต่างๆนั่น ไอ้บุคคลผู้ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้หรอกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เลยไปสะสมตั้งแต่เหตุให้เกิดทุกข์ไว้ในใจของตนให้มากขึ้นไปดูลำดับเช่นไปสะสมความโลภขึ้นไว้ไปสะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นสะสมความหลงให้หนาแน่นขึ้นในใจ คนไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันถึงได้ทำบาปมันทำบาปโดยไม่รู้จักว่าบาปนั้นมันจะนำไปสู่ทุกข์มันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างไรมันมันไม่ได้คิดไม่ได้นึกเลยเพราะว่ากิเลสต่างๆดังกล่าวมานี่เนี่ยมันครอบงำจิตใจไว้ นี่นะคนเรามันถึงได้ทำบาปโดยไม่สะทกสะทานเลยดังนั้นทุกคนนะต้องระมัดระวังสำรวมใจของตนอยู่เสมออย่าปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงหมนันครอบงำจิตใจให้ถือว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นศัตรูของชีวิตโดยแท้ไม่ใช่มันเป็นมิตรนะเป็นศัตรู แต่เมื่อคนไม่รู้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นศัตรูต่อชีวิตแล้วก็สะสมมันขึ้นแล้วมันนี้น ะ, ะเช่นอย่างความโกรธอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดไม่ได้พิจารณาเห็นโทษอย่างความโกรธว่าเป็นศัตรูต่อชีวิตอย่างว่านั่นแล้วนั่นก็สะสมความโกรธให้มากขึ้นเรื่อยๆอ เราสะสมความโกรธให้มากขึ้นเท่าใดความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตนบัดนีม้มันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าไอ้ความโกรธนี่มันจะเกิดขึ้นเองลอยๆมันไม่ได้มันต้องอาศัยเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาเช่นอย่างว่า ไปพบไปเห็นบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังเข้าแล้วอย่างนี้เมื่อจิตไม่รู้เท่าเรื่องนั้นนะก็มันก็หงุดงหงิดขึ้นมาทันทีนะรู้สึกว่าไม่สบายใจไปพบเห็นบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังแล้วอืมใจคอหงุดงหงิดขึ้นมาเลยบัด น, นี้เมื่อคนคนนั้นมาพูดจาอะไรต่อ เขาพูดอะไรก็ว่าจะเขาเสียบแทงตัวเองอะไรแบบนี้นะนั่นนะก็เลยเกิดก่อการทะเลาะวิวาทขึ้นมาความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจงเอาความโกรธนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยลําพังนะมันปลาลบเหตุภายนอกนู่นอืมัมนจึงได้เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้ถ้าบุคคลมีภาวนาไม่อยู่ในใจ เทศเจรณาเห็นโทษแห่งความโกรธดังกล่าวมาแล้วนั้นนะอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็ระมัดระวังแบบนี้นะ่ะเออระมัดระวังเลยแม้ไปเห็นบุคคลเลยเห็นสัตว์เห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้มันก็สัมรวมจิตห้ามจิตไว้ไม่ให้เกลียดไม่ให้ชังไม่ให้งุศงิดอืจก็ควบคุมจิตไว้ เช่นนี้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยอ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจึงว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่ใจนี่ถ้าบุคคลได้ควบคุมใจดวงนี้ได้แล้วมันได้หมดเลยอะอืานะั่นแหละควบคุมใจดวงนี้ได้แล้วความชั่วร้ายต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นอย่าไป ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันเป็นการทำความสวัสดีให้แก่ตัวเองแท้แต่คนหากไม่เข้าใจหลักปฏิบัติเฉยๆนะกดใจของตัวเองนะจะไปให้ใครเขารักษาให้มไม่มีหรอกไม่มีใครจะมารักษาให้ แต่ละคนตัวใครตัวเราก็รักษาใจตัวเองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากจนว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ถ้าบุคคลมารู้เหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วมันก็มีความสามารถขึ้นเพราะว่าอันพระพุทธเจ้านั่นพนระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนคนนะั้นถ้าหากว่าพูด มีความหมายอีกในหนึ่งนะทรงแนะนำสั่งสอนให้คนเรานั้นรู้จักรักตัวเองเนี่ยรักอย่างไรรักตัวเองรักตัวเองก็ทะนุถนอมตนว่าอย่าให้มันมีทุกข์อย่าให้ทุกข์ครอบงำจิตได้ทีนี้ทุกข์นั่นมันก็เกิดมาจากเทต ถ้าว่าจิตใจไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์นั่นเกิดไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์นั้นไว้ทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ผู้รักตนก็รู้ว่าอันนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วกว็ไม่ยึดไม่ถือเอามันเน่ะปล่อยวางไปเลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเขาแสดงอาการเกลียดชังตนมาเขาพูดเสียบแทงเขา ดูถูกดูหมิน่นอะไรมาอย่างนี้นะคนธรรมดาสามัญนี่มันก็ต้องโกรธต้องโต้ตอบกันไปอย่างนี้แหละวันนี้สําหรับผู้รักตนนะไม่ต้องการให้ตนเป็นทุกข์แล้วก็ใครจะว่าอะไรมาก็ไม่ยึดถือเอาคําว่าของคนนั้นอันนั้นก็เรื่องของเขาเขาอยากว่าก็ว่าไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องว่าไป แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วของเขาที่เขาแสดงออกมาทางวาจานี่ไม่ใช่ว่าเพราะเขาว่าเรื่องชั่วร้ายต่างๆงอาไมานั้นตนจำเป็นต้องยึดถือเอาไม่ยึดถือไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ตนไม่ยึดถือเอาแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรตนไม่ตอบโต้เขาแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้ามีคนเขาจะว่าว่า ไอ้นี่มันโง่เขาด่ามาเขาดูถูกดูหมิน่นมันก็หลับตาอยู่เฉยๆอย่างนีออ้ก็ให้ว่าไปไอ้เรื่องวิสัยของพุทรชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาด่ามาก็ต้องด่าดตอบเขาตีมาก็ต้องตีตอบอันนี้วิสัยคนที่มีกิเลสหนามันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับผู้มีกิเลสเบาบางปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วจะไม่ทาอย่างนั้นบัดนี้นะอัน เขาดามาก็ไม่ด่าตอบอนนะเขาโกรธมาก็ไม่โกรธตอบห้ามจิตของตนได้เป็นอย่างนั้นแม่เรื่องความชั่วอื่นๆใดก็เหมือนกันเพราะแต่เราห้ามจิตนี้ได้แล้วความชั่วเรานั้นมาครอบงำจิตใจไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนนะให้ตามรักษาจิตตัวเองนี้ พกอิริยาบถไปเลยนะยืนเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทําการงานอะไรอไรก็อย่าลืมจิตใจตัวเองดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงแนะนําให้ภาวนาพุทธโธไว้ในใจนั่นนะอให้นึกพุทธโธไว้ในใจเสมอเสมอจะยืนเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทําการงานอะไรอยู่ก็นึกพุทธโธอยู่ในใจ ท่านถ้านึกพุโทโธได้อยู่นี่มันก็มีสติกำกับจิตอยู่ได้จิตก็ไม่ได้พุ่งสั้นไปทางอื่นแล้วจิตก็ตั้งมั่นอยู่ภายในด้วยดีเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไหวไง่ายๆจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในพุโทโธคุณแล้วนะแต่คนส่วนมากมันลืมมันไม่ได้นึกหลอกพุโทโธนะ มันหลงไหลไปตามอารมณ์อื่นๆเข้าไปแล้วก็ลืมเลือนไปหมดเลยอ่มันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะอ้างว่าไม่มีเวลาจิภาวนาพุโทโธเพราะว่าต้องคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรสารพัดก็อ้างไปอย่างนั้นแหละแต่ที่แท้แล้วเวลาคิดอ่านการงานนั่นก็ไม่มากเท่าไรหรอกส่วนมากมันคิดเล่นๆ ล, ลอยๆคิดไปในทางที่ไม่มีประโยชน์นั่นะมากต่อมา ดังนั้นคนเรามันถึงเอาชนะความชั่วไม่ได้เลยเพราะว่าปล่อยให้ใจของตนมันเลื่อนลอยใจไม่หนักแน่นเรื่องมันนะนังนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคําสอนอันนี้แล้วก็ให้พึ่งตามรักษาจิตตัวเองไปเสมอเสมอภาวนาพุทโธไปอพุทโธไปว่าผู้บานแล้วผู้ตื่นแล้ว ถ้าผู้ใดนึกพุโทโธเป็นอารมณ์อยู่นั้นจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วไม่เป็นคนใจดำอมหิตก็พุโทโธนั้นก็หมายถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกเราได้พระคุณอันประเสริฐมาไว้ในใจแล้วก็ทำใจของเราให้ดีให้หนักแน่นให้เบิกบานให้จักความหมายของคำว่าภาวนาพุโทโธนี่นะมันเป็นอย่างนั้น ตามรักษาจิตใจไปอย่างนี้แล้วคนผู้นั้นน่ะไม่ได้ทำชั่วหรอกจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วเลยถ้าเป็นพูดมีอุบายวิธีรักษาจิตตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในพุทโธคุณ น, นี่ได้แล้วอย่างนี้บรรดาบุญกุศลความดีต่างๆที่ตนทำมามันก็ มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละวันนี้พุทธโธคุณเนี่ยจะดึงดูดเอากุศลความดีต่งตางๆที่พวกนั้นกระทบาบำเพ็ญมาล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันให้มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เลยไม่สูญหายไปไหนดังนั้นผู้ใดอยากให้บุญกุศลความดีที่ตนทำมาแล้วนั้น ให้มาตั้งมั่นอยู่ในใจตัวเองนี่ไม่ให้สูญหายแล้วก็ต้องให้ภาวนาพุทธโธเรื่อยไปอพราะว่างจากคิดอ่านธุรกิจการงานต่างๆเนี่ยปะหมุนเข้าถูพุทธโธก็นึกพุทธโธเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยปะในขณะเดียวกันเราก็ทําความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณแนะนำว่าพุทธโธอันนี้ไปพร้อมเลย พอเรารู้จักความหมายอยู่นี่เรานึกภาวนาพุทธโธอย่างนี้เรารู้ว่านี่เป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็ทำให้เรามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปใจก็ส ง, งบลงได้เพราะพุทธโธคุณนี่เราภาวนาเรานึกพุทธโธเอาจนว่าใจมันส ง, งบลงไปนั่นเอง พุทโธนั้นต้องให้อยู่ภายในใจอย่าให้ส่งออกไปนอกให้รู้ว่าจิตขณะนี้จิตนึกพุทโธอยู่พุทโธอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการนึกพุทโธก็จึงเท่ากับว่านึกถึงจิตตัวเองนั่นเองเลยนึกถึงจิตว่าจิตตั้งอยู่ตรงไหนนั่น ก็รู้ตัวอยู่ยนั่นแหละรู้ว่าจิตตั้งอยู่ตรงนั้นนะเ mm hmm. ช่นนี้แล้วจิตมันก็จะไปไม่เล่รล่อนพานเอจอนจรไปทางอื่น mm hmm. เมื่อฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ด้วยดี mm hmm. นานเข้า น, านานเข้านี่มันก็เป็นจิตที่สะอาดห่องใสเข้าไป mm hmm. ไม่เป็นจิตที่มัวหมองเพราะว่ากิเลสปาระธรรมเนี่ยมัน ค่อยถอนออกไปเบาบางออกไ้จา ก, กจิตใจนะเพราะว่ากิเลสส่วนไม่ก็ไม่สร้างมันขึ้นมากิเลสของเก่าก็เทียนละมันไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้มันมาครอบงมจิตใจเช่นนี้แล้วกิเลสที่ได้สะสมมาแต่ก่อนนั้นมันก็ไม่มีกำลังเ ก, กล้าขึ้นได้มันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆ แล้วเราก็ไม่สะสมกิเลสใหม่เข้ามานี่นะขอให้พากันเข้าใจเราต้องฉลาดอย่างนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ถ้าไม่ฉลาดไม่รู้จักความมุ่งหมายอย่างนี้นี่มันก็เลยไม่แน่ใจเลยไม่ทราบปฏิบัติไปทำไมไม่เห็นมันได้อะไรคนส่วนใหญ่ที่มันไม่สนใจเรื่องภาวนาวก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะมันไม่รู้จักความหมายอะ ถ้าผู้ใดรู้จักความหมายโดยแท้จริงแล้วก็อย่างว่ามันก็ขยันขยันรักษาจิตใจตัวเองเพราะว่ากลัวกิเลสบาปรธรรมมันจะมาครอบงำเอากลัวจิตใจจะหลงสร้างกิเลสขึ้นมาอ่านั่นแหละถ้าเผลอๆตัวอย่างนี้นะกิเลสที่มันที่ตนได้สะสมมาแต่ก่อนนั้นนะมันก็ลุกขึ้นมาครอบงำจิตนี้อย่างนี้นะ อ่าแล้วเมื่อกิเลสอันมีอยู่แต่ก่อนมันกําเริบขึ้นมาเอามันก็เป็นเหตุให้สร้างกิเลสใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นแหละไอ้ความโกรธนี่มันก็มีอยู่เป็นพื้นแห่งจิตใจมาแต่นัยแต่ลาแล้ววันนี้พรได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ พออกพอใจต่างๆเขามันก็สุนเสียวขึ้นมาเนี่นั่นแหละกิไอความโกรธของเก่ามันมันมันลุกขึ้นแล้ววันนี้พอยับยั้งกิเลสของเก่านั้นไม่ได้แล้ววันนี้มันก็มันก็ไปนึกถึงเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังที่มันกระทบกระทั่งเข้ามานั้นเข้าไปแล้วครัเอาเลยวันนี้ความโกรธมันก็มีกําลังกล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าสร้างความโกรธใหม่เพิ่ ม, เ ต, มเติมเข้ามาอัี น, นี้ถ้าผูใ้ใด ตามรักษาจิตตัวเองอยู่แต่เพียงว่ามันเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจกับคนคนนั้นหรือว่ากับของสิ่งนั้นหรือกับสัตว์ตัวนั้นอะไรอย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วก็รีบกําหนดละมันทันทีเอไม่ตกวิจารเรื่องน่าเกลียดหน้าช่างอะไรต่างนั้นต่อไปอีกเช่นนี้แล้วกิเลส ท, ที่มันกําเริบขึ้นมาของเก่านะั้นมันกําเริบขึ้นมามันก็อ่อนกําลังลง แล้วก็ไม่ได้สร้างกิเลสใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่นะเมื่อเป็นเช่นนี้กิเลสของเก่าที่สะสมมานั้นมันก็ค่อยเบาบางไปเบาบางไปนะนี่พอจะเห็นลู่เห็นทางแล้วไม่ใช่เหลือนี่นหละการลา ก, กิเลสมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นของเหลือวิสัยกิเลสมันจะมีอำนาจเหนือใจจริงจังจนว่าใจนี่ ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ออการที่บุคคลที่ว่ากิเลสมันมีอํานาจเหนือใจนั่นก็เพราะว่าผู้นั้นไม่ฝึกใจตัวเองไม่ควบคุมใจตัวเองปล่อยให้ใจมันลอยไปตามกระแสของโลกอยงนี้อันกระแสของโลกนะั้นมันเป็นสื่อของกิเลสดังนั้นแหละเมื่อใจมันลอยไปตามกระแสของโลกมันก็ ทำให้กิเลสมันเจริญขึ้นได้นะกําเริบขึ้นมาได้นั่นเนี่ยมันกิกเลสมันก็จูงใจไปให้ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาไปนี่บุคคลผู้ไม่ฝึกใจผู้ไม่รักษาใจตัวเองเนี่ยมันก็เลยต้องไปเป็นคนชั่วเลยทําชั่วไปเรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็ดีถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตน เผลอไปจิตใจตนอ่อนแอสู้อำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะจมไปเลยนะผู้ใด้รู้ตัวอย่างนั้นแล้วมาตั้งใจใหม่เอาฟังคำสอนของผู้ยหเจ้าเข้าไปรู้อุบายวิธีรักษาจิตแล้วก็พยายามควบคุมจิตต่อไปภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์ไปเอาอธิษฐานใจหมอบกายถวายชีวิตต่อพุทโธคุณต่อพระคุณของพระพุทธเจ้านี้แล้ว เมื่อตั้งใจขึ้นไปนี่บริกรรมพุทธโธในใจเลื่อยไปอย่างนี้จิตใจของพนนั้นมันก็มีอำนาจขึ้นมาแล้ววันนี้นะกิเลสต่างๆก็ไม่สามารถที่จะครอบงมจิตได้นี่มันยังมีเวลาฟื้นฟูตัวเองได้อยู่คนเราถึงแม้จะล่มจมไปกับอำนาจของกิเลสที่ล่วงแล้วมานั้นนะ เมื่อมารู้ตัวแล้วยังฟื้นฟูชีวิตตัวเองให้จเจริญด้วยบุญด้วยคุณอยู่เจริญด้วยสติปัญญาได้อันบุคคลจะมีสติมีปัญญาได้นั่นน่ะก็ะเพราะอาศัยต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบกระทั่งดวงกิจมานี่เองนะขอให้เข้าใจอันอยู่เฉยเฉยนั่นจะให้มันมีปัญญานั่นไม่หรอก ไม่ได้หรอกอปัญญาย่อมไม่เกิดขึ้นอยู่เฉยๆเนะ่ะก็อย่างที่พูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละถ้าเราต่อสู้กับความโกรธเอาชนะความโกรธได้แต่ละครั้งลงไปนี่เราก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วนั่น น, ะนี่มันเป็นอย่างนันอ๋อวิธทีเอาชนะความโกรธนี่ทำอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าหากว่ามันเกิดความโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้พอร ะ, ะลึกได้ว่ามันเป็นบาปอกุศลความคิดอย่างนี้นี้เอาก็พยายามสิระงับความคิดอ น, นั้นอย่าให้ความโลภมันครอบงําได้โดยอุบายวิธีต่างๆเข้าไปจนว่าใจนั้นสงบจากความคิดโลภเล่งเพ่งเล่งไปในของของผู้อื่นอย่างว่านั้นได้ เช่นนีนะ้มันก็ได้ปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาจากการต่อสู้กับความโลภนั่นนั่นลองคิดดูอืมคนเรานะ่ะปัญญามันเกิดได้เพราะการประกอบอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่ถ้าไปกลัวต่อเรื่องราวต่างๆในโลกอยู่กลัวเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆอยู่นั้นพอเรื่องไม่ดีต่างๆกระโจนถ้ามาก็ใจปลิวไปเลยเดือดร้อนไปเลย หาที่อยู่ไม่ได้เลยผู้เช่นนั้นอะ่ะเอา้าอยู่ในวัดก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นสุ ข, สขจะเป็นสุขได้ยังไงล่ะเพราะว่าใจส้นอ่อนแอนี้ไม่กล้าหานต่อสู้กับเรื่องชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เลยไม่มีปัญญาเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะเอา้าทุกข์เกิดขึ้นมาในทางร่างกายสังขารอย่างนี้นะเจ็บไข้ได้ปลอยมะเอา้าต่อสู้กับทุกข์แบบนี้นะแพ่งดูทุกข์ จนว่ารู้เท่าตามเป็นจริงอทุกนี่ก็สักว่าแต่ทุกเป็นเรื่องของขันห้าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราทุกก็ไม่ใช่ของเรามันก็มีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจมันก็กล้าหาญสู้กับทุกได้เพราะมันถือว่าไม่ใช่ของเรานี่ อ, อก็จะไปยึดถือเอามันว่าเราเป็นทุกอย่างไรแล้วนั่นเนี่ยเรา ทุกไม่มีในเราเราไม่มีในทุกเพราะว่าจิตดวงนี้นั่นะเมื่อมันละความยึดถือลงไปแล้วทุกไม่มีอยู่ในจิตนี้เลยเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่จิตดวงนี้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเพราะมันไปยึดเอาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นมาอยึดเอาความแปรปรวนของร่างกายสังขารอันนั้นมาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ทุกข์แล้วใจนะ่ะก็เดือดร้อนกัน อย่างนี้เป็ น, นเพราะฉะนั้นจึงลวงความลงได้แล้วว่าถ้าผูใ้ใดมาฝึกตนนี่นะให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลโดยดีแล้วเมื่อใจตั้งมั่นลงไปด้วยดีย่เรามีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะกระทบกระทั่งมาใจมันก็กล้าหาญสู้มีทุกขเวทนาในเกิดขึ้นในร่างกายสังขารอย่างนี้มันก็สู้สู้เอาจนว่ารู้แจ้งนะรู้เท่าตามเป็นจริง สู้เอาเจนว่าอารมณ์ชั่ว้ายต่างๆเหล่านั้นดับไปแล้วอย่างนี้นะจิตใจมันก็มีอิสระเสรีก็ทุ ก, กข์ออก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ดังแสดงมาขอ